บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการพิจารณาปัจจัยแห่งนามรูปโดยนัยะที่ได้กล่าวมาแล้วตามลำดับนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งผู้ปฏิบัติได้พิจารณานามรูปในแง่ของเหตุปัจจัยจนคลายความสงสัย ในานามรูปที่เป็นอนดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วต่อแต่นั้นท่านก็สอนให้ผู้ปฏิบัติกำหนดพินิษพิจารณานามรูปแบบกระจายออกไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มองเห็นเหตุปัจจัยแห่งานามรูปโดยชัดเจนทัานนี้เป็นเพราะอะไรรั้วใจของบุคคลเมื่อตกไปภายใต้อำนาจของกิเลส ก็จะเกิดกำนัดยินดีในนามมรูปบ้างเกิดขัดเคืองคือไม่พอใจในนามมรูปบ้างเกิดรุ่มหลงในนามมรูปด้วยอำนาจของโมหะบ้างและเกิดมัวเมาด้วยอำนาจของความประมาทบ้างแต่เมื่อผู้ผปฏิบัติได้กำหนดปินิพิจนาแยกแยะนามรูปออกไปโดยเห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ประกอบการเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเอง เหตุปัจจัยให้เกิดนามรูปเหล่านั้นมีอยู่ที่ตัวเราเป็นเบื้องต้นแม้บุคคลอื่นสัตว์อื่นและสิ่งอื่นก็ตกอยู่ในสภาพ เ, เดียวกันคือเป็นสิ่งที่ประกอบเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยในส่วนที่เป็นรูปก็ประกอบด้วยอวิชาตันหาอุปาทานกรรมและอาหารในส่วนที่เป็นนามก็ประกอบ ขึ้นจากวิชาตันหาอุปาทานกรรมและผัสสะในชั้นแรกก็จะถ่ายถอนความกำหนัดความรักใคร่พอใจตลอดถึงความไม่พอใจในานามรูปออกไปได้ซึ่งตามปกติแล้วจะทรงแสดงสรุปว่าอภิชาและโทมนัดคือการที่จิตเพ่งเล็งอยากได้ปรารถนานามรูปเหล่านั้น กับความไม่พอใจความขับแค้นใจความเสียใจความชิงชังตองนน้มารูปตัวนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลสับเปลี่ยนกันไปตามสิ่งที่มากระทบจิตของตนแต่เมื่อได้กำหนดพินิจพิจารณาไปโดยนัย่ที่กล่าวแล้วก็จะช่วยผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านั้นออกไปทำให้ ไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่รุ่มลงไม่โมวเมาในอารมณ์ต่างๆหรือแม้จะมีก็บันเทาประบางลงไปได้โดยท่านสอนให้พิจารณากระจายความคิดออกไปถึงนมรูปเหล่าอื่นจากจุดที่เราได้พิจารณามาแล้วคือในตอนแรกนั้นเป็นการพิจารณาเจาะลงไปในนามรูปจุดใดจุดหนึ่งจนเกิดเห็นว่า เป็นผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องกันของเหตุของปัจจัยแต่ว่าตามปกติแล้วใจคนไม่ได้กำหนัดขัดเคืองเฉพาะนามรูปที่ปรากฏในปัจจุบันเท่านั้นแท้แต่จริงแล้วยังมีความกำหนัดขัดเคืองในนามรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตทั้งหยาบทั้งปัจจุบันทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเรวทั้งประนีทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งภายในและภายนอก เพราะฉะนั้นก็สอนให้กระจายความคิดออกไปสู่ส่วนที่เป็นอดีตพานามรูปที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตมันก็ดับไปแล้วในอดีตไม่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนามรูปที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ดับในปัจจุบันไม่ได้สืบเนื่องไปถึงอนาคตแม้นามรูปในอนาคตก็จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ดับไปในอนาคตนั่นเองดังที่เคยอุปมาให้เห็นแบบกระแสไฟ ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละขณะกระแสไฟในวินาทีที่แล้วก็เกิดขึ้นแล้วในวินาทีนั้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่ได้สืบเนื่องมาถึงวินาทีนีแ้และกระแสไฟที่เกิดในวินาทีนี้ก็เหมือนกันก็จะดับไปในวินาทีนี้ไม่ได้สืบเนื่องไปถึงอนาคตกระแสไฟในวินาทีหน้าก็จะอยู่ในสภาพอย่างนั้นในจุดนี้จะเห็นได้ว่า ในชั้นของการทำจิตใจหรือปรับจิตใจให้ผ่อนคลายความกำหนัดเกิดเคืองรุ่มหลงในนามรูปส่วนที่เป็นอดีตก็สามารถทำได้เพราะถือว่ามันเรื่องเกิดขึ้นแล้วในอดีตเช่นมีคาําด่าคาตาหนิติเจียนที่เกิดขึ้นในอดีตแท้ที่จริงมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วการที่คนจะเก็บเอ า, อารมณ์นั้นมาไว้ภายในใจนั้นก็เป็นการสร้างอารมณ์ขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยร่องรอยอารมณ์ในอดีตนั่นเองจึงเป็นการกระทําตนให้เป็นศัตรูต่อตนเองสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นศัตรูตัวเราแต่อาศัยใจที่ตั้งไว้ผิดกลับมาเป็นศัตรูตัวตนส่วนนามาูปที่เป็นปัจจุบันก็มองเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปในปัจจุบันไม่ได้สืบเนื่องไปถึงอนาคตอะไรจิตใจที่วิตกกังวลในปัจจุบัน ก็จะบันทอเบาบางลงไปและในขณะเดียวกันอาการไขวยคว้ า, วามุ่งมัดปรารถนาในอนาคตก็จะสงบลงนามรูปที่หยาบที่ละเอียดนามรูปที่หยาบก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นนามรูปที่ละเอียดมันเกิดขึ้นโดยหยาบแล้วก็ดับไปทั้งทั้งที่หยาบนามรูปที่ละเอียดก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นในส่วนที่เป็นภายในในส่วนที่เป็นภายนอกก็อยู่ในสภาพเดียวกัน คือนามารูปภายในได้แก่นามารูปของเรามันก็เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยและเกิดขึ้นในการใดก็ดับไปในการนั้นไม่ได้สืบเนื่องมาจนถึงการการอื่นส่วนที่เป็นภายนอกคือนามารูปเราตื่นที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจขังตนก็ตกอยู่นในสภาพอันเดียวกัน แลนามารูปเหล่านั้นไม่ว่าไกลหรือใกล้ก็มีลักษณะเช่นที่กล่าวมาแล้วแต่าการกำหนดพินิจพิจารณาในแต่ละช่วงนั้นท่านมองกันโดยละเอียดมองกันจนเห็นประจักษ์ชัดด้วยใจและในที่สุดจะขมวดความคิดความเข้าใจในเรื่องนามารูปไปลงที่ใจหลักโดยเห็นว่านามารูปทั้งมวลที่กล่าวมาแล้ว คืนามรูปอันใดที่มีในอดีต ก, ก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประณีต ก, ก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ ด, กดีนามรูปเหล่านั้นเป็นเพียงนามรูปเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาคือไม่เป็นของเราไม่เป็นเราและไม่เป็นตัวเป็นตนของเรา ความยึดติดในนามรูปว่าเป็นของเราเป็นการยึดติดด้วยอำนาจตันหาที่ขึ้นมาปรุงแต่งจิตให้มีการกำหนดหมายมีการขขวยคว้ามีความกระสันจากในอารมณ์ดอกนั้นแต่แท้จริงนามรูปเป็นกระบวนการของเหตุของปัจจัยนามรูปจึงเป็นของไม่เที่ยงจริงๆเพราะแกเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ำกลางแตกสลับ แตกสลายไปในที่สุดจากช่วงที่แกเกิดถึงช่วงที่แกแตกดับมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉี่ยิบการดำรงอยู่ของนามารูปเหล่านั้นเป็นการดารงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นและนามารูปก็เป็นทุกข์จริงเพราะนามารูปแต่ละอย่างนั้นไม่เกิดขึ้นด้วยลำพังตนของตนเองแต่มีองค์ประกอบมีเหตุปัจจัยโดยนิยยะที่กล่าวแล้วเป็นเหตุให้เกิดขึ้น แค่พอแกเกิดขึ้นแล้วแกก็รักษาสาภาพเดิมของแกไว้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแ ป, ปรปลวนอยู่ตลอดระยะเวลานามรูปเหล่าใดที่มีใจเสวยอารมณ์ได้นามรูปเหล่านั้นก็ก่อให้เกิดความเร่าร้อนเกิดอาการกระสรับกระส่ายเพราะการแผดเผาของเหตุปัจจัยแห่งนามรูปนั้ น, น, นและนามรูปก็เป็นอนัตตาจริง เพราะอะไรเพราะเมื่อกล่าวโดยความจริงที่แท้จริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของนามารูปเรานั้นแม้ร่างกายของเราที่พูดว่าร่างกายเราทรัพย์สมบัติของเราญาติพี่น้องของเราอะไรที่เคยกําหนดหมายว่าเป็นของเรานั้นเอาก็จริงแล้วไม่ได้เป็นของเราเลยของเราจรึงเป็นความจริงขั้นสมมุติซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เหมาะให้ควรในขั้นของสมมติ แต่โดยเป็นโดยความจริงที่แท้จริงแล้วของเรานั้นไม่มีแม้แต่ตัวของเราก็จะไม่เป็นของของเราอย่างที่มองเห็นกันได้พิสูจน์กันได้ทรัพย์สมบัติเป็นอันมากที่บุคคลเก็บสะสมเอาไว้ด้วยใจกำหนดหมายว่าของเราของเราแต่ในที่สุดก็ต้องทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปร่างกายทีิวาหประคบประโ ง, งมทนุถนอมเลี้ยงดูบำรุงมาเป็นอย่างดีโดยการกำหนดหมายว่าร่างกายเรา แต่ในที่สุดก็ต้องชิ้งร่างกายเราไปดังนั้นจะเห็นได้ว่ายัางคาถาสุภาษิตบางอย่างที่ท่านใช้ให้บุคคลกำหนดพินิ์พิจารณาที่เราเรียกว่าบางสกุลเป็นแท้ที่จริงเป็นธรรมะระดับวิปัสสนากรรมฐานคือท่านสอนให้พิจารณาว่าอาจิรังวัตยังกายอยู่กายนี้ไม่นานหนอ ปัทวิงอาิเสสติจกต้องนอนทับผมอยู่บนแผ่นดินเมื่อมีวิญญาณไปปราศจากแล้วก็จะเป็นประดุจท่อนไม้ที่ก็ทิ้งไว้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการพิจารณาโดยนัยะที่กล่าวมาแล้วคือกาหนดแยกตามเหตุตามปัจจัยก็จะมองเห็นว่านามรูปทั้งหมดนั้นตกอยู่ในสภาพของอนัตตา คือไม่มีใครเป็นเจ้าของและเราเองก็ไม่บังไม่สามารถบงบงการบังคับให้นามรูปเหล่านั้นเป็นไปาตามที่เราต้องการได้แต่ไกลจะเป็นของแกตามเหตุตามปัจจัยของแก่บางครั้งบางคราวเราก็ควบคุมได้เพียงเล็กๆน้อยๆเท่า น, น, นั้นแต่ควบคุมอย่างเต็มรูปนั้นเราคุมไม่ได้เช่นเราคุมให้เดินเหินไปในที่ใดที่หนึ่งได้แต่เราก็ คุ้มไม่ให้มันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่ได้คุ้มไม่ให้เหน็ดเหนื่อยไม่ได้แล้วคุ้มไม่ให้เจ็บป่วยไม่ได้เรื่องของธรรมชาติธรรมดาแกก็เป็นของแกตามธรรมชาติธรรมดาและเมื่อย่อยออกไปคือแยกนามมารูปออกไปตามเหตุปัจจัยซึ่งหมายความว่าแยกปัจจัยเหล่านั้นออกเป็นส่วน ๆ, นๆตามที่กล่าวมาในต้นต้นมันก็กลายเป็นการแยกแบบ คนฆ่าโคชั่แหลโคออกไปเป็นส่วนๆแล้วก็กองไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนใที่สุดเราหาโคไม่เจอว่าโคนั้นมันอยู่ที่ไหนมีแต่เขาโคมีแต่หนังโคมีแต่เนื้อโคมีแต่กระดูกโคเท่านั้นเองแต่ความเป็นโคไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเช่นเดียวกัน เมื่อบุคคลพิจารณากลับไปกลับมาโดยในายานี้ไอ้กิเลสที่เคยยึดจิตในนามรูปซึ่งฝังรากลึกอยู่ภายในจิตใจของบุคคลจะค่อยๆ ค, คลายลงจะค่อยๆผ่อนลงโดยลำดับการกำหนดหมายว่าของเราของเราจะไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรเป็นของเราดึงไปในอดีตก็ไม่มีของเราอนาคตก็ไม่มีของเราปัจจุบันก็ไม่มีของเรา มาดูความเป็นเราอีกทีหนึ่งก็หาความเป็นเราไม่ได้มันเพียงแต่เหตุปัจจัยมาประชุมกันเท่านั้นว่าเราเป็นเด็กมันก็ไม่ได้เป็นมันก็เปลี่ยนก็มันมาด้วยเป็นผู้ใหญ่มันก็เปลี่ยนก็มันอยู่ด้วยมันความเป็นต่างๆที่ยึดจิต ด, ด้วยรูปของมานะก็จะบรรเทาปบาบางลงไปจากจิตใจแต่ความยึดติดในรูปของทิฏฐิที่ไปมองเห็นโดยเต็มรูป ซึ่งถ้าว่าโดยพิสดารแล้วก็เป็นเรื่องที่พิสดารมากแต่ถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วจะเห็นว่าความคิดเห็นที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายเหล่านั้นในชั้นที่ละเอียดลงไปเราจะมองร่างกายมองชีวิตโดยกระจายถึง20ลักษณะแต่โดยสรุปก็จะมีเป็นสี่ลักษณะด้วยกันคือมองเห็นว่านามรูปนั้นเป็นเรา หรือว่าเราเป็นนามารูปหรือว่านามารูปนั้นมีอยู่ในเราหรือเรามีอยู่ในนามารูปซึ่งก็หมายถึงว่าความปักใจในเรื่องกายกับจิตที่เกิดขึ้นด้วยความหลงผิดตามที่กล่าวมาตามระดับนั้นแต่เมื่อเราแยกย่อยไปในเชิงเหตุเชิงปัจจัยได้เช่นนี้ก็จะผ่อนคลายความยึดติดในลักษณะนั้นออกไป แต่มองเห็นสิ่งนั้นเป็นขบวนการของเหตุของปัจจัยที่ไหลสืบเนื่องกันมาแบบสันติแบบกระแสไฟแบบกระแสน้ำเท่านั้นเองที่นี้ในขณะที่พิจารณาอยู่นั้นความรู้ความเห็นในนามอรูปก็จะประจักษ์ปรากฏชัดขึ้นภายในจิตใจมีลักษณะที่ออกจะเป็นวเลี้ยววัวต่อที่สำคัญช่วงหนึ่งในชั้นของการปฏิบัติ เพราะถ้าหากว่าพิจารณากลับไปกลับมาจนเห็นนามารูปทั้งมวลตกอยู่ในสภาพของประไซรัลประจักษ์แก่ใจของบุคคลแล้วต่อแต่นั้นจะบังเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสโนปกิเลสคือสิ่งที่ทําให้วิปัสนาเศร้าหมองคำว่าวิปัสนาแปลว่าปัญญาที่เห็นแจ้งประจักษ์ชัดในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง บางครั้งทรงใช้คําว่ายะถาภูตะคือเห็นตามความเป็นจริงอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นนามรูปเป็นเพียงกระบวนการที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยก็เห็นด้วยปัญญาอย่างนั้นและไม่ใช่เห็นแบบตาธรรมดาแต่เห็นด้วยตาปัญญาคือพรคลายความยึดติดด้วยอํานาจตันหามานะทิฏฐิในนามรูปลงไปเมื่อปัญญา ประจักษ์ชัดแก่ใจเช่นนี้สิ่งที่เรียกว่าอุปกิเลสของวิปัสสนาคือเครื่องที่ทําให้วิปัสสนาเศร้าหมองหยุดชะ ง, งักไม่ก้าวหน้าต่อไปก็จะบังเกิดขึ้นซึ่งข้อ น, นี้เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้หลงผิดเข้าใจผิดมากเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าวิปัสนูปกิเลสนั้นเป็นกุศลธรรมทั้งหมดเลยเป็นความดีความงามที่สามาัญชนทั่วไปต้องการปรารถนาด้วยการทั้งนั้น แต่มันเหมือนกับว่าบุคคลสามั ญ, ญชนที่อยู่บ้านธรรมดาเมื่อเลื่อนชั้นขึ้นไปได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่เช่นได้รับสถาปนาเป็นพระราชาก็ต้องทิ้งบ้านเหล่านั้นเพื่อขึ้นไปอยู่ที่วังถ้าไม่ยอมทิ้งบ้านซึ่งบ้านมันก็ให้ความสุขความสบายแบบบ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะคนทั่วไปก็อยู่บ้านกัน แต่ถ้าถึงเป็นชั้นประราชาก็ต้องขึ้นไปอยู่ที่วังจิตใจของบุคคลที่ปฏิบัติมาโดยลำดับก็มีลักษณะเช่นนั้นกุศลลธรรมทั้งหมดมาถึงจุดนี้กลายเป็นเครื่องเศร้ามองไปได้สำหรับคนที่จะไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาธรรมะในลักษณะเหมือนกับแพรที่บุคคลอาศัยข้ามฝากซึ่งว่าที่จริงแพรมันก็ดี ยานฐานะที่อาศัยขําฝากเหล่านั้นมันก็ดีแต่ดีในฐานะยานฐานะดีในฐานะที่เป็นแพลเมื่อบุคคลไปถึงฝั่งถ้าต้องการจะขึ้นฝั่งก็ต้องทิ้งแพลถ้าไม่ทิ้งแพลก็ขึ้นฝั่งไม่ได้ซึ่งทางนี้ทางนั้นไม่ได้หมายความว่าแพลไม่ดีแต่ว่าดีในชั้นของการขําฝากไม่ใช่ดีในชั้นของการขึ้นฝั่งเพราะถ้าเราขึ้นฝั่งแล้วเรายัางติดที่แพลอ ย, อยู่เราก็ขึ้นฝั่งไม่ได้เป็นทางที่บุคคลต้องเลือกเท่านั้นเอง สิ่งที่เรียกว่าวิปัสนาวิกิเลสนั้นมีถึง10ประการเฉพาะในที่นี้จะกล่าวบางประการประการแรกคือโอภาษมีแสงสว่างปรากฏขึ้นภายในมโนสำนึกหรือภายในจิตใจบางครั้งตัวแสงนั้นเราจะเห็นในขณะที่จเจริญวิปัสสนาว่ามันออกมาจากกายเราด้วยเป็นแสงสว่างที่แผ่ซ่านออกไปจากกายด้วยและเป็นแสงสว่างที่ปรากฏในใจของเรา มองโดยหลับตานี้เองหรือบางครั้งบางคราวก็ลืมตาแต่ก็เห็นเป็นแสงสว่างที่น่าประทับใจมีความสวยงามวิจิตพิสดารมากซึ่งแน่นอนว่าคนที่ไม่เคยเห็นต้องเพลิดเพรินในความงามเหล่านั้นในความประณีตเหล่านั้นหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเกิดขึ้นมาในรูปของปีติความเ อ, อิบอิ่มอย่างรุนแรง บางครั้งก็วูบว่าเป็นการเออบอิ่มขึ้นมาในลักษณะวูบว่าถือชั่วขณะดนึ่บางครั้งบางคราวก็จนถึงกับขนลุกชูชันขึ้นมาทั่วสระพางกายบางครั้งกลายเป็นความเย็นเยือกผ่านขึ้นมาวิ่งไปจากศรีรษะไปถึงเท้าแล้ววิ่งกลับไปกลับมาเงินบางคราบางครั้งบางครงาวจนกลายเป็นตัวล่องลอยขึ้นไป และปีติบางคราวก็มีลักษณะโลดโผนแบบคลื่นกระทบฝั่งเป็นเกิดขึ้นท่วมท้นจิตใจมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเราใฝ่ฝันจะได้อะไรสักอย่างจนมันเกิดได้ตามที่ต้องการขึ้นมาก็เกิดดีใจอย่างรุนแรงแลักษณะดีใจมันก็คล้ายกับปีติที่ปรากฏในกรรมฐานในตอนนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในชั้นของกุศลและธรรมแล้วเขาก็เป็นกุศลนธรรมเป็นองค์ฌานเป็นธรรมะที่ในระดับต่ำกว่านั้นเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของบุคคลทุกคนแต่พอมาถึงชั้นนี้ถ้าหากว่าขืนติดมันก็ติดอยู่อย่างนั้นทำนองบุคคลจะเดินทางไปในที่ใดที่หนึ่งจะเกิดไปเพลินทิวทัศน์ในแห่งใดแห่งหนึ่งก่อนจะถึงจุดหมายปลายทาง มันก็ติดอยู่ที่นั่นไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ก็อาจจะพูดได้ว่าเดินไปครึ่งทางไปค่อนทางไปใกล้ปลายทางเข้าไปเมื่อเทียบเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้เดินคนที่เดิน <ird en S 1> ไปก็ก็ดีกว่าแต่นําไปเปรียบเทียบกับคนที่ถึงจุดหมายปลายทางคนที่ถึงจุดหมายปลายทางเขาก็ดีกว่าในชั้นนี้ที่ถือว่าเป็นอุปกิเลสก็เพราะว่าดีไม่ถึงท่านที่ ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ประการต่อไปนั้นเป็นลักษณะของวิปัสสนาญาณคือความเห็นแจ่มแจ้งเห็นนามรูปเกิดดับแบบทียิบเห็นจริงๆว่ามันแตกดับจริงๆมันเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่มีอะไรคงที่เลยมีความว่างเปล่าแยกออกไปแล้วเป็นเพียงอวิชาตัญหาอุปาทานกรรมอาหารสัมปัสทานั่นเองไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวของเราเป็นตัวเป็นตนของเรา กายเวทนาจิตธรรมก็สักเตวากายสักตตเวทนาสักตตวจิตสักเตวธรรมท่านั้นเองใจเห็นชัดมากว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ประการใดๆมันปรากฏขึ้นภายในใจชัดอย่างนี้นชัดจนหลงหลงก็ได้บรรลุซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเปน็นอันมากจนพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องหาวิธีแก้ไข ตามสมควรแก่กรณีที่เกิดขึ้นในชั้น้องการเห็นท่านเห็นของท่านจริงๆเห็นไปจากด้วยใจด้วยแล้วบางครั้งบางคราวท่านอาจจะบอกกล่าวแก่เพื่อนสาธรมิกด้วยกันว่าท่านรู้ท่านเห็นอย่างนั้นแล้วท่านคิดว่าท่านได้บรรลุโดยทั้งไปเพราะงั้นปัญหาทางวินัยท่านจึงไม่ปรับอับบัตแก่ท่านเหล่านี้เพราะท่านพูดตามที่ท่านเห็นพูดตามที่ท่านรู้มาเลย ทัางที่การพูดอวดอุตริมนุษสธรรมคือธรรมะมีสมาธิมีฌานเป็นต้นที่ไม่มีในตนนั้นก็ปรับรุนแรงจนถึงขาดจากความเป็นพระแต่สาหรับท่านที่ปฏิบัติมาหลงอย่างนี้คือท่านเห็นก็ท่านอย่างนี้แล้วท่านบอกไปตามที่ท่านเห็นไม่ปรับอบัตยอะไรไม่ถือว่าเป็นความผิดเพราะท่านพูดตามที่ท่านเห็นตามที่ท่านได้ยินตามที่ท่านได้ทราบตามที่ท่านได้รู้มา ถ้าหากว่าท่านรู้ด้วยปัญญาของท่านท่านก็ต้องแก้ไขตัวของท่านแต่ถ้าไม่รู้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยแก้ให้ช่วยบอกให้ช่วยทดสอบให้เพื่อรู้ว่านั้นไม่ใช่ทางจริงๆหรอกมันเดินไปค่อนทางไปครึ่งทางเท่านั้นเองเป็นทิวทัศน์ริมทางที่มีความสวยงามเท่านั้นก็แนะนําให้ท่านเดินต่อไปแต่พอไปถึงช่วงหนึ่งบางคราวมันจะเกิดปัสสธิคือความสงบอย่างลึกซึ้งเลย กิเลสอารมณ์ความคุณมัวความไม่สบายกายไม่สบายใจหายไปหมดสืบเนื่องมาจากปีติสืบเนื่องมาจากวิปั ส, สนาญาณเป็นอาการของปัสสถานซึ่งผู้ปฏิบัติที่จําองค์ธรรมะได้จะเห็นได้ว่าปัสสถานก็ดีปีติก็ดีและแม้วิปั ส, สนาญาณก็ดีนั่นเป็นกุศลธรรมทั้งหมดเลยแต่พอถึงจุดนี้มันก็เหมือนกับ น, นักเรียนที่ต้องเลื่อนชั้นนั่นเอง ในชั้นที่แกเรียนอยู่ก็ดีในชั้นนั้นแต่ถึงคราวที่แกจะต้องเลื่อนชั้นแกก็ต้องเลื่อนชั้นจะต้องไปติดอยู่ในชั้นนั้นไม่ได้มาถึงจุดของปัจธิจะมีความสงบเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งไม่เห็นกิเลสเลยใจจะมีความประนีตมากสะอาดมากมีปีติหนุนอยู่รอบตัวต่อจากนั้นก็จะกลายเป็นความสุข ความสุขที่ประณีตมากความสุขที่พิเศษมากความสุขยิ่งกว่าความสุขในองค์ฌานโดยทั้งไปแต่ทั้งนั้นท้งนี้ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างห้าข้อเนี่ยก็เป็นเพียงวิปัสสนู ป, ปกิเลสเท่านั้นเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ท่านบอกว่ญญาณลงต้องพยายามใช้ปัญญาคบเจาะพินิษพิจนามองจิตใจของตัวเองให้ลึกซึ้งลงไป ว่ากิเลส ท, ที่ว่าไม่มีไม่มีนั้นมีอยู่หรือไม่ข้อนี้เพิ่งดูตัวอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรในสำนักของอาลาดาบทกาลามโครและอุทกาาทดาบทดามบุตรตอนนั้นกิเลสไม่ปรากฏแก่ใจเหมือนกันเพราะมันสงบสงบจนไม่มีกิเลสอารมณ์ภายนอกมากระทบก็ไม่รู้สึกกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาแต่ประการใดยกเว้นแต่กระทบแร ง, แรง แต่พระโพธิสัตว์ท่านวิเคราะห์ใจของท่านท่านตรวจสอบดูเห็นว่ากิเลสไม่ได้หมดแต่มันสงบเท่านั้นในชั้นนี้ก็เหมือนการต้องใช้ปัญญาเข้าพินิพิจนาสวดดูว่านี้เป็นของจริงหรือของหลวงเพราะในชั้นการบรรลุมรรคผลนิพพานองธรรมอย่างนี้ยังมีอยู่ในชั้นนนแต่เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคล้ายๆกับวิชาความรู้ที่เราเรียนสมัยเป็นเด็ก เราจบมัธยมจดปริญญาไปแล้วความรู้เหล่านั้นก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเรายังไปติดความรู้สมัยเป็นเด็กอยู่มันก็รู้เท่าสมัยนั้นเท่านั้นคุณธรรมเหล่านี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในชั้นนี้ท่านสอนให้กาหนดพินิจพิจารณาในแง่ที่เป็นวิปัสสนุปกิเลสคือสิ่งที่ทำให้วิปัสสนามันเกิดเศราหมองคือหยุดจะงักงานขึ้นไม่ยอมก้าวหน้าต่อไป ก็ให้ตรวจสอบกลับไปกลับมาวิเคราะห์ลงแต่ละจุดแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดเต็มรูปหมดทั้ง10บข้อจะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บางครั้งก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งเป็นภาพลวงตาที่น่าสยบน่าติดน่าเพลิดเพลินสำหรับบุคคลผู้ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาทั้งหลายชั้นของวิปัสสนาปัญญาจึงต้องแก่กล้าอย่างที่เคยกรามแล้วว่า ชั้นของสมถะนั้นสติจะต้องมากจะต้องนำอยู่ข้างหน้าพอมาถึงชั้นของวิปัสสนาปัญญาจะต้องอยู่ข้างหน้าจะต้องตรวจสอบจะต้องสอดสอ่อ ง, ส อ, ดสองดูให้ประจักษ์แต่ละอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนโดยพื้นฐานทางจิตที่ฝึกปรืออบรมมาโดยลาดับนั้นท่านจะประจักษ์ชัดด้วยใจของท่านเองว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อปฏิบัติมาถึงจุดนี้ที่เรียกว่า วิปัสณูปกเล์บังเกิดขึ้นก็ชื่อว่าได้เข้ามาถึงชั้นที่สของวิสุท ธ, ธิทั้งเจประการคือเริ่มมาจากความหมดจดแทงศีลความหมดจดแทงจิตความหมดจดแทงทิฏฐิความหมดจดแทมมดดแงญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยในชั้นนี้เขาเรียกว่ามัคคามัคคยาณทัศ น, ศนวิสุทธิ คือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งยานเป็นเครื่องรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเพราะมีภาพลวงตาอย่างที่ว่านี้ท่านจะต้องมีปัญญาขบเจาะลงไปว่าอะไรแน่กันแล้วต้องแยกให้ชัดระหว่างขาวกับดำเพื่อดำเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปตอนนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป